ได้แก่หนึ่งศรัท ธ, ธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงค์สองวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรสามสติการาราะลึกรู้สี่สมาธิการตั้งมั่นของจิตใจห้า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 ของผู้ฟังที่จะสามารถน้อมเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังเข้ามาสู่ใจได้อย่างสมัยครั้งแรกที่พระพุทธองทรงประกาศ <c oughs> พระธรรมคำสอนในพระปัญจในพระปฐมมเทศนาที่มีชื่อว่าพระธรรมมาจากกับปวัตนสูตร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 ได้บรรลุธรรมได้บรรลุเป็นพระอาหาันตระสาวกก็ขอบวชในบรวรพระพุทธศาสนาบางคนฟังแล้วก็เกิดฉันทะวิริยะเกิดความอุตสาหะภาคเพียร น, นำเอาไปปฏิบัติแล้วก็ได้บรรลุธรรมตามลำดับต่อมา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 เป็นปัญญาที่ดับความทุกข์ได้ที่เรียกว่าภาวนาเมยปัญญาถ้าผู้ฟังสามารถพิจารณาตามและน้อมนําเอามาทาลายกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจได้ก็จะสามารถบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ถ้าไม่สามารถน้อมเอาทมเข้ามา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 ลอยไปในอดีตลอยไปในอนาคตเพราะใจจะเข้าสู่ความสงบใจจะรวมเป็นสมาธิเป็นอัปปนาได้จำเป็นจะต้องตั้งอยู่ในปัจจุบันและไม่คิดปรงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆการคิดอยู่กับบทสวดมนต์หรืออยู่กับการบริกรรมพุทโธนี้จะทําให้ใจสงบหยุดความคิดปรุงแต่ง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 ดูผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับหังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองสีสษะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดให้ไปทั้งอนุโลมและปฏิโลมให้ใจ ท่องอยู่ในกายนครนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญกายยกตาสติอีกรูปแบบหนึ่งกายยสติที่เคยได้เล่าให้ฟังก็คือเฝ้าดูเอีรียบทการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายอันนี้เป็นอุบายวิธีที่จะเดึงให้ใจตั้งอยู่ในปัจจุบันไม่ลอยไปลอยมา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 จะไม่มีกำลังที่จะนำไปเจริญปัญญาได้เพราะติเลตตันหานี้ยังทำงานอยู่เวลาจะพิจารณาอริจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอาสุภะพิจารณาความตายนี้ถ้าใจไม่มีอัปปนาสมาธิไม่ได้ออกจากสัอัปปนาสมาธิใจจะไม่มีอุเบกขาเวลาจะพิจารณา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 ทางเอ็ดที่ฤทปาฏิหารต่างๆซึ่งถึงแม้ว่าจะวิเศษจะตื่นเต้นหน้าตื่นเต้นหน้าดีอกหน้าดีใจกับความรู้ความสามารถพิเศษเหล่านี้อมันไม่สามารถนำเอามาใช้กับการต่อสู้กับกิเลสตัณหาผู้ที่สร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจได้ต้องเป็นอัปปนาสมาธิ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 ไปติดกับราบยศสรรเสริญสุขแล้วก็ต้องมาเสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางครั้งถึงกับต้องฆ่าตัวตายไปก็เพราะว่าไม่มีธรรมะแสงสว่างคอยชี้ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ในโลกนี้เป็นความทุกข์นั่นเอง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 ขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสัคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิทิตังปัติตังตุมหังคิปะาเมวะสมิจจตุสับเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถาเมานิโชติ ระโสยถาสพิติโยวิวาชานตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวันตารายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสานิจังวุธาปะจายโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวันโสุขังพาล ต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้ตาบนมารัการพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงครับผมเดชพบศรีใสจากปทุมธานีก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณบรรดาสาธุชนผู้มีศรัทธาที่ทำหนังสือทำซีดี ของพระอาจารย์ได้อ่านครับผมเอาไปให้หลายคนเขาดีใจมากครับขออนุโมทนาบุญด้วยครับอ า, รอาจารย์ครับผมอาจจะมีปัญหาหลายอย่างอยากจะถา ม, มานะครับาการที่เราได้แนะนำคนให้มาฟังธรรมนะครับที่พระอาจารย์แสดงเนี่ยนะครับ พอจะมีบุญมีกุศลมีปัญญาได้เพีงสำหรับตัวเราก็เป็นบุญเป็นหนึ่งในบุญสิทธิประการที่พุทธเจ้าทรงแสดงไว้คือให้ธรรมะแก่ผู้อื่นก็จะเราได้รับอนิสงส์ก็คือเราได้ความอิ่มเอิบใจได้ความสุขใจเปรียบเหมือนกับได้อาหารเราก็จะได้ต้องไป เว้นอ้วนวายกับการหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้กับความสุขกับเราเราอยู่เฉยๆเราก็ไม่เดือดร้อนครับผมเออผมไปใส่บาตรเมื่อเช้าเนี่ยครับใส่ใจน้องอายุประมาณยี่สิบกว่าแนะนําบอกว่าไปฟังทําด้วยกันไหมที่เขาจีโอนเออมีเลยเหรอพี่มีคิน ม, มีมีครับมีเขาดีใจมากเลยไอ้เรานี่ก็เออรู้สึกสุขใจอย่างที่อาจารย์ท่านพูดแต่แต่ว่า เราจะได้บุญไม่น้อยอันนี้คือคิดในใจอ่นะครับครับผมเราก็เรื่องที่สองครับเป็นว่าผมก็พยายามนำธรรมะของท่านพระอาจารย์เนี่ยนะครับ เ, อเจอใครก็อยากจะบอกแนะนํานะครับไปเจอแม่ค้าเราก็บอกว่าโอ้ธรรมะอาจารย์ดีมากนะแม่ค้าบอกจะให้หวยแม่นไหมล่ะอผมก็คือไม่รู้จะพูดยังไงเอาอย่างนี้ถ้าอยากถูกหวยอ่ะนะครับ ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธบ่อยๆเลยนะแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเขาไม่ถูกหวยเนี่ยก็จะด่าผมหรือว่าอไอ้นี่มาโกหกหรือเปล่าแต่ว่าเราก็อยากจะให้เขาเป็นอย่างที่เราได้นะครับอาจารย์ปัญหาคือว่าถ้าอย่างนี้ปุ๊บผมสมควรไหมหรือต่อไปไม่ต้องบอกแล้วอย่างนี้ครับไม่ควรบอกเพราะ ว, ว่ามันไม่ตรงกับความจริงครับครับผม <subscribing>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 เพราะมันจะไปขัดกับกิเลสตัณหาของเรานั่นเองดังนั้นเราต้องพยายามที่จะข่มใจเอาไว้อย่าให้ความคิดที่ไม่ดีนี้ไก่ขึ้นมากับเราเพราะว่าเป็นการเป็นการเนรคุณเป็นความเป็นการไม่มีความกตัญญูกตเวทีผู้ใดไม่มีความกตัญญูกตเวที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 แล้วถ้าไปคิดทำร้ายพ่อแม่นี่ก็เป็นบาปหนักยิ่งกว่าการไปทำร้ายผู้อื่นาการฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่ถือว่าเป็นกรรมหนักที่สุดเทียบเท่ากับการฆ่าพระอารหันต์เทียบเท่ากับการทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดเทียบเท่ากับการทำยุยงให้สงเกิดความแตกแย ก, กขึ้นมานี่คืออ น, นัอ น, นตอนันตาริยกรรมห้าประการด้วยกันที่พระเจ้าทรงสแสดงว่า เป็นกรรมที่หนักที่สุดที่มนุษย์เราจะสามารถทําได้ดังนั้นเราต้องพยายามข่มใจและพยายามลําลึกถึงพระคุณของพ่อแม่อยู่เรื่อยๆอย่างที่มีธรรมเนี้ยมว่าให้เรากลาบพ่อกลาบแม่หลังจากที่เรากลาบพระแล้วทุกเช้าทุกเย็นไม่ได้หมายความว่าต้องไปกลาบที่หน้าพ่อหน้าแม่เราอยู่ที่ไหนเราก็กราบได้ การกราบนี้ก็เพื่อที่จะให้เราได้ล้ำลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่เพื่อที่เวลาที่เรามีความโกรธหรือมีความเกลียดขึ้นมาเราจะได้มีธรรมะอันนี้มาคอยระ ง, งับยับยั้งว่าบุคคลที่เรากําลังโกรธกาลังเกลียดนี้เป็นบุคคลที่มีพระคุณกับเราล้นฟ้าล้นมหาสมุทรเพราะถ้าไม่มีบุคคลสองคนนี้แล้วเราจะไม่มี ตัวเเราาออยยู่่ป็นงนงี้้ไดคำถามต่อไปจากคุณน้ำข้อที่หนึ่งการพูดเพ้อเจ้อที่ไม่ควรคือเป็นแบบไหนคะคือการพูดเล่นหรือเปล่าคะ ก, การพูดที่ไม่เกี่ยวกับธรรมานี้ถือว่าเป็นการพพูดเพ้อเจ้อทั้งหมดสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้พูดนี้มีอยู่สิบประการด้วยกันที่จะเรียกว่าไม่เพ้อเจ้อคือพูดถึงเรื่องมากน้อย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 พอพูดแล้วจะทำให้เรานำไปสู่การปฏิบัติที่เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่จิตใจของเราถ้าเราพูดเรื่องนินทากาเลอย่างที่ชาวบ้านนิยมคุยกันวิพากษ์วิจารณ์คนนั้นคนนี้พูดไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ข้อที่สองการทำบุญแก้ชงเป็นการทำผิดต่อพระรัตนไตรยหรือเปล่าคะ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 ซึ่งมีหลายระดับหลายชั้นด้วยกันชั้นสูงสุดก็คือพระนิพพานคำถามต่อไปจากคุณนัท ด, ดิฉันมีปัญหาชีวิตจนปัญญาจะแก้ไขดิฉันแต่งงานแล้วและแยกออกมาอยู่บ้บานของตนเองส่วนแม่เลิกกับพ่อเลี้ยงและอยู่กับแฟนใหม่ซึ่งขายของเล็กๆน้อยๆ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 ถ้าเราบริกรรมพุโทโธก็บริกรรมไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจว่าตากระพริบหรือไม่กระพริบหรือจะคันตรงนั้นคันตรงนี้หรือจะเป็นอะไรต่างๆที่ทําให้เราเกิดความรู้สึกรับรู้ขึ้นมาก็อย่าไปสนใจให้สนใจอยู่กับการบริกรรมพุโทโธไปอย่างเดียวในเบื้องต้นนี้จิตใจของเรามันจะสายแสบไปสร้างเรื่องสร้างสิ่งนั้นสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาหลอกเรา ให้เราเสียสมาธิให้เราไม่มีสติเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสนใจอย่าไปให้ความสำคัญให้สาคัญให้ความสาคัญอยู่กับเรื่องเดียวก็คือเรื่องของการเจริญสติคือถ้าเราใช้การบริกรรมพุทโธก็ให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธไปอย่างเดียวไม่ว่าอะไรจะมาปรากฏให้เรารับรู้ก็อย่าไปสนใจ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 อุทิศบุญให้แก่ผู้อื่นให้ความสุขใจได้ช่วยเหลือผู้อื่นรับใช้ผู้อื่นก็ให้ความสุขใจได้ชวนคนอื่นมาฟังเทศฟังธรรมก็มีความได้ความสุขใจเฉนั้นบุญมีอยู่สิบประการด้วยกันการรับใช้ผู้อื่นนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เรามีความสุขใจได้มีบุญได้โดยไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมีเงินทำทานอย่างเดียวเท่านั้น บุญมีสิบประการด้วยกันอย่างที่ได้แสดงไว้ข้อหนึ่งก็คือทานข้อสองก็คือศีลข้อที่สามก็คือภาวนาข้อที่สี่ก็คือการอุทิศบุญข้อที่ห้าก็คือการอนุโมทนาร่วมบุญกับผู้อื่นเวลาผู้อื่นเขาทำบุญเราก็ชื่นชมยินดีไปแล้วก็มีความสุขใจลแล้วก็การรับใช้ผู้อื่น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 และการฟังเทศฟังธรรมอันนี้เป็นบุญที่สําคัญถ้าเปรียบเป็นอาหารก็มีอาหารหลักกอาหารอาหารเสริมอาหารหลักนี่เรารับประทานกันเป็นประจำก็คือข้าวกับข้าวกับปลาของข้าวของหวานเครื่องดื่มต่างๆอันนี้น้ำนํำน้าที่ต้องดืม่ม น, นี่เราถือว่าเป็นอาหารหลักส่วนของของที่เป็นของเสริมมีก็ได้ไม่มีก็ได้ เช่นขนมนมเนยต่างๆถ้าเรายากจนบางวันเราซื้อได้แต่ข้าวกลับกลับก็กินข้าวกลับกลับไปขนมนมเนยเครื่องดื่มชนิดต่างๆไม่มีปัญญาที่จะซื้อมารับประทานก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราก็ยังอยู่ได้ใจของเราก็เหมือนร่างกายอาหารหลักของเราก็คือทานศีลภาวนาถ้าไม่มีทานก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีปัญญาจะทาทานก็ไม่ไม่ทาก็ได้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 ถ้าใจยังทํางานอยู่ใจจะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ใจต้องรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้อย่างเดียวรู้อยู่กับเรื่องเดียวแล้วก็ไม่ไหลไปตามกระแสของความคิดปรุงแต่งต่างๆอย่างนั้นเวลานั่งดูลมก็ให้ดูเฉยๆลมจะหยาบจะละเอียดก็ไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปเปลี่ยนมันให้รู้ว่าหยาบให้รู้ว่าละเอียด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 แต่ถ้าคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆจนเกิดความชินชาจำได้ก็จะรู้สึกเฉยๆเวลาที่เกิดความจริงขึ้นมาหมดคำถามจากทางบ้านค่ะหลวงพ่อ อ, อ่ทางนี้มีแล้วยกมือขึ้นมาแล้วค่ะ <c oughs> พอดีเพื่อนของลูกสาวนะคะ <c oughs> เขาแต่งงานได้ประมาณสี่ห้าปีแล้วก็สามีเขาก็เป็นเลเซนเรื่องในสมอง ป่งแล้วก็แตกตอนนี้ก็ไม่ค่อยรับรู้อะไรทั้งสิ้นนี่เพื่อนลูกสาวเขามีความทุกข์มากเลยเขามีความรู้สึกเหมือนอนาคตมืดมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็โทรมาปรึกษาลูกสาวลูกสาวก็โทรมาหาก็พยายามคัดหนังสือคําสอนท่านอาจารย์ค่ะจากพวกกําลังเอจุลธรรมนําใจทีนี้ก็ยังคิดว่ามันยังไม่ตรงมากนะค่ะก็อยากจะขอธรรมะจากท่านอาจารย์สั้นๆว่า แต่เขาบอกว่ามีคนพูดเรื่องธรรมให้เขาฟังเยอะแล้วเพื่อนสนิกก็พูดก็มีความรู้สึกว่าเพื่อนสนิทเขาก็ยังเด็กๆอยู่ยังไม่ลึกซึ้งอ่ะก็อยากจะได้ธรรมะท่านอาจารย์ที่เพื่อว่าเขาจะได้สบายใจขึ้นนะคะนั่ะค่ะก็มันเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนมันได้เราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปเหมือนกับเราดูภาพยนตร์ดูเทปแล้วเราสามารถอ่ะ